มาครั้งแรกเลยมาที่นี่ครั้งแรกเลยสงครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สาเคยมาหลายครั้งแนละ้วีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าอยากจะรู้อะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวฟังเทปผไปเรื่อยๆกเลยมานบ่อยๆก็ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อยู่บ้านก็ฟังขนมา ติดตามถ่ายทอดสดเลยนะ ม, มีอะไรไหมคราวที่แล้วที่มาห า, หาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกรุณาอธิบายเรื่องบุญกิยาวัตถรทุติวันนี้ในทางกลับกันเนี่ยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าแล้วบาปในะที่คนทำํำนี่นะครับคือสิงมันมีตั้งหลายข้อทีนี้จะว่ามันมีแค่สี่งหนึ่ง ข้อหนึ่งถึงข้อห้ามันก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้เราทําบาปได้คือไอ้บุญเนี่ยมันคือบุญกิจยาวัตถุสิแต่พอมาเรื่องของบาปเนี่ยตัวลงมันจะวัดยังไงกับอะไรที่เรียกว่าทําบาปเนี่ยคือวัดจากสี่อย่างเดียวก็มีทั้งหลายข้อบางข้ออย่างห้าไม่ให้ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ใช้น้ำหอมอย่างนี้คนใช้มันก็คงจะไม่ได้บาปใช่ไหมครับอืมนัม่นก็เพียงว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าไหนเนี่ยมันมันเป็นบาปเราจะวัด อ, อะไร บาปก็วัดที่ศีลห้าเท่านั้นเลยครับศีลห้าแล้วก็แค่ศีลสี่สี่ข้อเท่านั้นศีลข้อหนึ่งถึงข้อที่สี่ทำแล้วถึงเรียกว่าบาปภ่าสัตว์ักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดอันนี้บาปส่วนดื่มโรลานี้ถือว่าเป็นการกระทำที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษา เสีนได้คนที่ไม่มีสติก็มักจะไปทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่มีสติคนที่ดื่มสุรายามาแล้วก็จะไม่สามารถประครับประคองสติสตังเวลานึกอยากจะพูดอะไรทำอะไรก็ทาไปได้ง่ายกว่าคนที่มีสติงั้นการดื่มสุราความจริงยังไม่เป็นบาป เดิมแล้วไปนอนนี้ ก, ก็จบไม่ได้ไปทําบาปไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไ ป, ไ, ไ, ไ, ปไปพูดผิดประเวณีไม่ได้ไปเสพสุราอา่าไม่ได้ไปพูดปดพูดคํำยาพูดอะไรดนะังนั้นบาปจริงๆก็มีอยู่สี่ข้อฆ่ารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวง เพราะการกระทำเหล่า น, นี้ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและผู้กระทาเองผู้ผู้ที่ผู้อื่นก็ถูกได้รับความเดือดร้อนไปฆ่าเขาเนี้เขาก็ตายแล้วคนที่ไปฆ่าก็เดือดร้อนต้องไปใช้โทษติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปตกนรกไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อน แล้วคนไปลกักทรัพย์ก็ต้องถูกจับถูกลงโทษการประพฤติผิดประเวณีก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไ ป, ไปประพฤติผิดสามีภรรยาบุตรทิดาของผู้อื่นแล้วก็ผลกระทำก็จะถูกเขาทำร้ายได้ เอ็นไยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเดี๋ยวภรรยาหรือสามีคนอื่นเขาก็มาท้าเราได้าไปทําให้เขาเสียหายเอ็นถ้าอยากจะรู้ว่าการกระทํำบาสนี้เป็นอย่างไรก็ให้ท่านก็ให้มีคํานิยามว่าการกระทําทางกายทางวาจาที่ทําให้เกิดโทษแก่ผู้นั้นและก็โทษกับตนเองเรียวกว่าบาป จริงๆก็มีอยู่สข้อส่วนการดื่มสุราเนี้ถ้าดื่มแล้วนอนก็ไม่มีไปทำอะไรให้ใครเสียหายผู้ที่จะเสียก็คนเดิม่มคือเสียเวลาเสียเสียสุขภาพเสียเงินทองคนเดิ่มสุราเมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทำงานทำการไม่ได้ ความจริงสุราเนี่อยู่ในกลุ่มของอบายามุก ค, ค, คือการกระทำที่ที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ที่จะนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรคือเงินทองทรัพย์สินเล่นเล่นการพนันนี้เล่นไปเดี๋ยวก็ต้องเสียเสียทรัพย์พอมเงินหมดก็ขายขายข้าวของ เอาของหมดก็ขายบ้านขายที่ดินเพื่อที่จะได้เอามาเล่นเล่นการพนันเราก็จะทำให้เป็นเหตุให้ทาไปทำบาปต่อไปเวลาที่ไม่มีเงินอยากจะเล่นก็ไปรักทรัพย์ไปหาทรัพย์มาเล่นต่อออบายามุกนี้ก็เป็นตัวที่จะทำให้ผู้ ผ, ผู้ที่เสพอบายมุขนี้ไปทำบาปต่อไปมันก็ต้องให้เหล็กเลี่ยงอบายมุขอบายมุขนี้มี6อยู่หข้อข้อหนึ่งคือการดื่มสุราข้อที่สองเล่นการพนันข้อที่สามเที่ยวกลางคืนข้อที่สี่เที่ยวดูมหรสพบันเทิงต่างๆข้อที่หาคบคนคบคนไม่ดีเป็ น, ปนมิตร คนที่ชอบอบายคนที่ชอบเสพอบายมุกนี้เรียกเป็นคนไม่ดีคนที่ชอบทำบาสนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปคบเพราะคบคาสมาคมกับเขาแล้วเขาก็จะชวนเราไปทำในสิ่งที่เขาชอบทำเขาชอบเดี่มสเราเขาก็จะชวนเราไปเดี่มสุราชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเราเกรงใจเขาเราก็ต้องไปกับเขาถ้าเรา อยากจะคบค้ากับสมาคมกับเขาไม่อยากจะเสียไมตรีจิตไม่อยากจะเสียมิตรก็ต้องไปกับเขาคนอย่างนี้อยากไปคบดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายก็คือความเกลียดคร้านอันนี้ก็เป็นอบายอย่างหนึ่งเพราะคนเกลียดคร้านนี้จะไม่สามารถทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ไม่สามารถหารายได้ได้มีแต่มีแต่เผาปลานายได้ที่มีอยู่ เงินทองพ่อแม่มรดกท็อปพ่อแม่ให้มาก็ขี้เกียจทํามาหากินก็จะเอาเงินที่ได้จากมรดกนี้มาใช่มากินไปเดี๋ยวก็หมดเพราะไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะไปทํามาหากินหารายได้มาจุนเจือตอนเองนี่คือการกระทําที่เรียกว่าอบา ย, ยมุกคาว่าอบายก็แปลว่าที่ไปของคนที่ทําบาปมีอยู่ส ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกนี่เรียกว่าอบายมุกแปลว่าทางเข้าประตูมุกนี่แปลว่าประตูประตูสู่สู่อบายการกระทำหกประการนี้จะทาให้ไปทำบาปต่อไปเพราะคนที่ขี้เกียจไม่ทำมาหากินเดี๋ยวก็ต้องไปลักทรัพย์ไปปล้นไปที่เพื่อที่จะได้มีทรัพย์มาใช้ คนเล่นการมานานก็เหมือนกันคนดื่มสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูมอหรสพ บ, บันเทิงต่างๆการกระทําเหล่านี้มีแต่การสูญเสียเงินทองไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าถ้าทําแบบนี้จนติดเป็นนิสัยมันก็จะไม่มีเวลาไปทํามาหากินมัวแต่เที่ยวแต่เล่นอเดี๋ยวกันทองก็หมด เงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหามาโดยวิธีไม่ชอบเพราะไม่มีอาชีพสุดจริตนี่คืออบายอบายอมุขจะทํานําไปสู่การกระทําบาปสี่ข้อไปโกหกก่อนไปโกหกขอยืมเงินเขาว่าจะจะใช้คืนเขาแต่รู้ว่าไม่มีไม่มีทางที่จะใช้คืนเขาพอต่อไปโกหกไปขอยืมเงินคนที่เคยยืมไม่ได้ก็ต้องไปลักทรัพย์ เราไปลักทรัพย์ก็ถ้าไปลักทรัพย์ที่ต้องใช้อาวุธก็อาจจะมีการฆ่ากันก็ได้ตอนนั้นก็ไปลักทรัพย์ต่อไปก็ไปป้นไปจี้เลยนี่คือการกระทําที่เป็นโทษกับตนเองและกับผู้อื่นที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เรียกว่าบาปเห็น ทางศาสนาจึงสอนให้หลีกเลี่ยงบาปและอบายามุขอบายามุขทั้งหประการถ้ามีในตัวเราเราควรที่จะแก้ไขเสียถ้าเราชอบดื่มสซลาก็ควรที่จะเลิกฝืชอบเล่นการพรานันก็เลิกชอบเที่ยวกลางคืนก็เลิกชอบเที่ยวดูของมหัศจรรยบันเทิงต่างๆก็เลิกไปท่องเที่ยวตามสถา น, านท่องเที่ยวต่างๆ ชอบคบคนที่ชอบอบายามุขชอบทำบาป ก, ก็เลิกคบกับเขาถ้าชอบความเกยียดข้านก็ต้องเปลี่ยนนิสัยให้มาชอบความขยันหมั่นเพียรแทนถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรเราก็จะไปทําหาหากินหาเงินหาทองได้เมื่อเรามีเงินทองพอใช้เราก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปหลอกลวงผู้อื่น ไปหลอกนวนผู้อื่นเพื่อเอาทรัพย์ของเขามาหรือไปรักทรัพย์หรือไปฆ่าผู้อื่นนี่คือบาปและอบายมุขส่วนศีลแปดนี้เป็นศีลที่ละเอียดคือศีลที่จะทำให้ผู้ที่รักษานี้จะมีเวลาว่างจากกิจกรรมที่ไม่พึงกระทํา เพื่อที่จะได้ไปเอาเวลานี้ไปทำกิจกรรมที่น่ากระทาพึงกระทาก็คือการบำเพ็ญจิตตะภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเราก็จะไม่มีเวลามาบำเพ็ญเช่นถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ยังไปกินเลี้ยงได้กินอาหารเย็นได้ มีงานเรี่ยงที่ไหนไปก็ได้ไม่ไม่บาปมันไม่ไปกา ร, กรทาบาปไปกินเรี้ยงบาปไม่กินอาหารเย็นมันไม่บาปแต่มันเสียเวลาเอาเวลาที่ ค, ควรจะไปทำกิจที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจกลับไม่ได้ไปทำกลับเอาเวลาไปทำกับกิจที่เป็นโทษกับจิตใจเพราะกิจกรรมทางร่างกายนี้มันจะทำให้เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติด ไปไปเที่ยวไปกินอาหารเย็นแล้วมันก็จะติดต้องกินทุกวันใช่ไหมพอถึงเวลาเย็นก็ต้องกินเวลามีงานเลี้ยงก็อยากจะไปถ้าเขาไม่ได้เชิญเราไปเราก็เสียใจพอมันเคยไปแล้วมันติดมันอยากจะไปอยู่เรื่อยๆก็เลยทาให้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ทนี้ถ้าใช้ร่างกายหาความสุขไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถใช้มันได้<ม>ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาวันที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการเป็นอมพตะอมภาสเคยใช้ร่างกายหาความสุขก็ใช้ไม่ได้ เคยมีแฟนมีสามีหรือมีภรรยาเขาก็จะทิ้งเราไปเพราะเราไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมร่วมกับเขาได้อันนี้ก็กิจการเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระเจ้าสอนว่าให้เรามาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขแทนที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาใช้การบำเพญ็ญปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือหาความสุขกันก็เลยต้องถือศีลแปล สินแปดนี้จะห้ามไม่ให้ใช้ไม่ให้ไปใช้ร่างกายทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาเช่นสีนข้อสก็ให้เปลี่ยนจากการประพฤติผิดประเวณีมาให้รักษาสินปรมจันคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครเมื่อเมื่อไม่ร่วมหลับนอนก็จะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนที่จะมานั่งสมาธิได้แต่ถ้าไป ไปที่มีแฟนก็จะไปนอนกันเนี่ยก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิก็เลยให้ให้ละเป็นข้อนี้คนที่มีสามีภรรยาก็พักชั่วคราวเช่น ว, วันพระอย่างงี้หรือมาอยู่วัดแยกกันอยู่คนนึงอยู่บ้านคนนึ่งมาอยู่วัดคนมาอยู่วัดก็มาถือศีลปแปดไม่กินข้าวเย็ยน กินข้าวเย็นก็จะเสียเวลาร อ, อกินอาหารเย็นจะนั่งสมาธิจะปฏิบัติธรรมมันก็ไปไม่สะดวกเดี๋ยวก็ถึงเวลากินอีกแล้วถ้ากินเพียงเที่ยงวันพอเสร็จแล้วมันก็จะโลง่งไม่ต้องมากังวลกับกเรื่องการกินอาหารและการกินอาหารมากก็ทำให้ง่วงนอนทำให้นั่งสมาธิก็หลับไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากปฏิบัติ อยากจะนอนแล้วก็เลิกกิจกรรมไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตา่ตางๆไปดูมหัศบันนทิงอะไรต่างๆเพราะมันเสียเวลามันไม่เป็นโทษมันไม่ผิดมันไม่เป็นบาปมันไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายแต่มันทำให้เราเสียเวลาและทำให้เราติดเป็นเหมือนติดยาเสพติดติดความสุขแบบนี้ที่จะต้องใช้ร่างกาย เ้าต้องใช้เงินทองถึงจะสามารถมีความสุขแบบนี้ได้ถ้าขาดเงินทองหรือร่างกายเป็นอะไรไปก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ก็จะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่ไม่สามารถที่ไปหายาเสพติดมาเสพได้ก็จะหงุดหงิดลำคันใจทรมานใจ แล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปก็เลยห้ามแม่นอนบนเตียงที่มันมีฟูกหนาๆสบายนอนแล้วมันจะนอนมากปกติร่างกายมันต้องการพักผ่อนประมาณสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะเต่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆมันก็จะไม่ลุกมันไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็เลยนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่มันนอนไม่สบาย พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเนี่ยอุบายของคนฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านตั้งกฎเหล่านี้มาเพื่อให้เราจะได้ไม่ไป เ, เสียเวลาไปกับกิจกรรมที่มันเป็นโทษกับจิตใจเพราะมันเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดกิจกรรมเหล่านี้ลองทำแล้วมันติดก็ได้นะเวลาไม่ได้ทำแล้วมันงดเก็ดลาคาญใจ เวลาไม่ได้นอนกับแฟนนี่มันหงุดหงิดแฟนไปทุระต่างจังหวัดตั้งเดือนสองเดือนนี่หงุดหงยดน้คาค้างใจต้องรอให้แฟนกลับมาบ้านก่อนถึงจะหายหงุดหงิดลรวก็อาจจะทำให้ไปประพฤติกิดประเวณีก็ได้ถ้าทนไม่ไหวรอแฟนไม่ไหวมีใครอยู่ใกล้ก็อาจจะไปทำกิจกรรมกับเขาแทนแฟนก็ได้นี่คือโทษของการ หาความสุขทางร่างกายแล้วตายไปก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่ายังติดกิจกรรมเหล่านี้อยู่พอไม่มีร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้มาทํากิจกรรมเหล่านี้ใหม่ <S <S 1> <S 1> กิจกรรมเหล่านี้พ่อแม่ไม่ต้องสั่งสอนเลยใช่ไหมทำเป็นทธรรมเองทุกคนเลยใช่ไหม เที่ยวเป็นไหมมีใครต้องสอนพ่อแม่ต้องสอนเที่ยวทำไมลูกไม่ไปเที่ยวบ้างทำไมลูกไม่ไปมีแฟนบ้างมีน้องคอยห้ามนั่นแหละเพราะมันทำมันติดเป็นนิสัยมาใจที่ไม่ได้ตายแต่ว่าร่างกายนี้มันมีนิสัยเที่ยวพอมันไปได้ร่างกายมามันมันก็เที่ยวพอโตขึ้นมาปั๊บพอไปไหนมาไหนเองได้ไปแล้วใช่ไหตอนเด็กๆ ก, ก็ดีไปไหนไม่ได้ ยังไม่มีเงินทองที่จะไปเที่ยวก็แลยอยู่บ้านกับพ่อแม่ได้แต่พอแล้วโตเป็นตัวของตัวเองแล้วไปไหนมาไหนเองได้แล้วมีเงินแล้วทีนี้ไปแล้วสิหนีเที่ยวแล้วพ่อแม่ให้เงินไปโรงเรียนก็หนีไปเที่ยวก่นีไม่ต้องสอนเลยใช่ไหมแต่เรื่องไปโรงเรียนนี้ต้องสอนนี่นั่นแหละนี่คือกิจกรรมที่พวกเราทำกัน ที่จะทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอ เ, เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดเสียอกเสียใจน้องผอมน้องห้เทุ ก, กันแต่ถ้าไปทำกิจกรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทาคือกิจกรรมทางใจไม่ต้องใช้ร่างกายใช้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมรักษาศีลทำใจให้สงบทำใจให้มีปัญญา ก็จะเลิกกิจกรรมต่างๆทางร่างกายได้เพราะความสงบมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากกิจกรรมทางร่างกายเวลาใจสงบนี้จะมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราได้ไปเที่ยวได้ไปดไูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอะไรความสุขมันคนร ะ, ะดับกันความสุขระดับกายกับความสุขระดับใจนี้เหมือนฟ้ากับดิน คนที่ได้สัมผัสกับความสุขของใจแล้วจะไม่ยินดีกับความสุขของทางร่างกายสามารถเลิกกิ จ, จกรรมทางร่างกายได้ไปบวชได้กันคนที่ก็ไปบวชกันเพราะเขามีความสุขทางใจเขาไม่ต้องใช้เขาไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายพวกนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็น อ, อุบาสกอุบาสิกานี้เขาไม่ต้องใช้ใช้ร่างกายหาความสุข เขาใช้การบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาการที่มีศีลเพื่อจะได้ปกป้องรักษาใจไม่ให้วุ่นวายออพอไปทําบาปแล้วมันจะทําให้วุ่นวายใจพอต้องไปรับนี้ไปรับโทษหรือต้องคอยหนีอคอยวิตกกังวลใจไม่สงบใจจะไม่สบายึงต้องรักษาศีล ร, รักษาศีลแล้วยังยังไม่สงบก็ต้องนั่งสมาธิถึงจะสงบ พอสงบแล้วทีนี้ก็จะมีความสุขทางใจจะไม่ต้องไปทํากิจกรรมทางร่างกายเมื่อไม่ต้องทํากิจกรรมทางร่างกายก็ไม่ต้องมีเงินทองการนั่งสมาธินี่ไม่เสียเงนินไม่เหมือนไปดูหนังนะนอกจากช่วยทําบุญค่าน้ําค่าไฟอะไรไปตามเหตุตามผลเท่า น, นั้นเอง ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำเหมืองคนที่เป็นพระมาบวชนี่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ได้ค่าอาหารค่าที่อยู่ก็ไม่ต้องจ่ายมีคนใจบุญเขายินดีใจ่ายให้คนที่มาทําบุญนี้เขายินดีที่มาสนับสนุนผู้ที่ ป, ป, ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นการปฏิบัติที่ทําให้เขาเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นคนที่ไม่เป็นภัยกับสังคม คนที่บวชแล้วเขาก็จะไม่ไปทำบาปเขาก็ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแล้วเมื่อเขามีธรรมะแล้วเขาก็มาสั่งสอนพวกเราอีกทีหนึ่งพวกเราที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะได้รู้กันจะได้หายหลงกันตอนนี้เราหลงหาทุกข์กันโดยที่ไม่รู้โดยคิดว่าเป็นการหาความสุขการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นการหาความทุกข์กัน เพราะว่ามันจะต้องสะดุดสักวันหนึ่งไม่สบายเงินหมดแฟนทิ้ ง, งมันก็จะสะดุดแล้ความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังเราเลือกหาความสุขแบบนี้กันถ้าเราอยากจะไม่เจอความทุกข์ถ้าหาความสุขวันนี้เดี๋ยวต้องเจอความทุกข์เช่นเงินหมดก็ทุกข์แฟนทิ้งไปก็ทุกข์ ร่างกายไม่สบายไม่สามารถทํากิจกรรมทางร่างกายได้กับทุกเวลาแก่นีก็จะคิดค่าตัวตายกั น, นสังคมปัจจุบันนี้พวกที่เขาหาความสุขทางร่างกายพอร่างกายเขาแก่เขาก็คิดค่าตัวตายกันเพราะเขาไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรอยู่ก็ไม่สามารถหาความมีแต่โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตายดีกว่า เดี๋ยวนี้มีการศึกษาวิธีที่จะทำให้การฆ่าตัวตายนี้ถูกกฎหมายให้หมอทาหน้าที่ช่วยฉีดสารพิษให้กับร่างกายต้องการตายแบบสบายไม่ต้องการตายแบบว่ามีหน้าที่รักษาร่างกายไม่ใช่มีหน้าที่มาฆ่าและฆ่าคนแต่ก็อยากจะตายแบบสบายตายแบบมีเกียรติ ตายแบบนอนน่าก็ฉีดสารพิษเข้าไปแล้วมันต่างอะไรกับนักโทษที่ถูกใช้สารพิษประหารชีวิตมันก็แบบเดียวกันเลย่อนวัน mm hmm. น, นี้เขา mm hmm. เมื่อไม่มีความสุขแล้วเขาก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปแต่มันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาพอตายไปมันก็กลับมาเกิดใหม่เพราะมันยังอยากจะหาความสุขแบบเดิมอยู่ จะต้องแก้ปัญหาแบบพระพุทธเจ้าคือเลิกหาความสุขแบบเดิมเสยแล้วมาหาความสุขแบบใหม่หาความสุขที่เกิดจากการรักษาสีนั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วเราจะมีความสุขทางใจเวลาร่างกายเป็นอะไรเรายังสามารถที่จะมีความสุขได้เราก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายดูหลวงปู่หลว ง, งตาท่านอายุร้อยปีท่านก็อยู่ของท่านอย่างมีความสุข ร่างกายท่านไม่เคยใช้ท่านไม่ใช้มันตั้งแต่วันบวชแล้วบวชมาก็เราใช้ร่างกายไปหาความสุขแลท่านก็เอามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเนี่ยนักบวชนี่เขามีไตรศิกขามีมีข้อศึกษาอยู่สามข้อเรียกอะไรก็ไตรสิกขาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ถ้าปฏิบัติได้ใจก็จะสงบมีความสุขก็ไม่ต้องไปใช้ร่างกายทำกิจกรรมหาความสุขต่างๆนี่อันนี้พอจะเข้าใจบาทมีสีข้อบาทจริงๆมีสีข้อแล้วก็อบายามุกมีหกอันนี้อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันให้มองเห็นว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลา เป็นลูกระเบิดไปยุ่งเกี่ยวกับมันเดี๋ยวมันระเบิดตูมตามขึ้นมาเราเดือดร้อนเรามาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปด้วยพะเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายแนละ้วเราก็ไม่รู้จะกลับมามีร่างกายทำไม ที่กลับมาพาะยังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เมื่อไม่มีความอยากใช้ร่างกายก็ไม่กลับมาเกิดไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก<ม>็จะอยู่ที่นิพพานสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ชั้นอื่นนี้ยังเสื่อมได้แต่สวรรค์ชั้นนิพพานนี้ไม่เสื่อมที่เราทำบุญทาทานักเสียสิงแล้วตายไปไปสวรรค์ชั้นเทพ เดี๋ยวพอบุญหมดก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพรมก็ยังเสื่อมอยู่เหมือนกันถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ไม่เสื่อมต้องขึ้นไปด้วยปัญญาสวรรค์ที่ไปด้วยปัญญาก็มีสี่ชั้นชั้นสูดาบันชั้นสกิดาคามีชั้นอนาคามีชั้นอาราหันต์สวรรค์เหล่านี้จะทาให้เรา ไม่กลับมาเกิดในที่สุดชั้นที่สีนี้ยังกลับมาเกิดอยู่แต่ไม่เกินเจครั้งโสดาบันนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปได้ยังมีกิเลสที่สามารถเึิงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ไม่เกินเจครั้งก็จะสามารถตัดมันได้หมดถ้าระดับที่สองก็กลับมาเกิดเพียงครั้งเดียวพระสกิทาคามี ถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่มีความต้องการใช้ร่างกายแล้วกวาจัดความอยากทำกิจกรรมโดยร่างกายได้หมดตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็ไปเข้าพระนิพพานต่อไปถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนการไปถึงแสดงว่ามีผู้ไปถึงไม่ได้ไปถึงนิพพานแล้วศูนยะ์เข้าใจไ้ม ผู้ผู้ที่ไปก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละที่เรากำเนี่ยผู้ที่รักษาศีลผู้ที่นั่งสมาธิผู้ที่เจริญปัญญาเนี่ยผู้ที่ไปถึงนิพพานเมื่อไปถึงนิพพานแล้วจะหายไปไหนมันก็อยู่อยู่ที่นิพพานการไม่ได้มาเกิดไม่ได้สแสดงว่าหายสาบสนไปในทางโลกอาจจะคิดว่าหายสาบสนไปก็ได้พอเราไม่ติดต่อกับใครไปอยู่ในป่าเขาก็ว่าเราหายสาบสนไปแล้วเนี่ย ทั้งที่เรายังไม่หายทางทางกฎหมายหรือทางรัฐบาลเขาก็ททงบัญชีเราออกหายสาบสูญไปแล้วเพราะไม่ได้จ่ายภาษีเสียภาษีให้เขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะตามตัวเราได้เขาก็แทงบัญชีเราออกไปชื่อเราออกจากบัญชีไปเหมือนคนหายสาบสูญแต่เราไม่หายเราอยู่ในปา่าเราไม่ออกมาติดต่อกับใครทั้งนั้นเองคนไปนิพพานก็เหมือนกัน ไปนิพานแล้วก็ไม่มาติดต่อกับไทยไม่มาเกิดด้วยดันั้นอย่าไปคิดว่าการไปนิพพานแล้วเราหายไปเราไม่หายเราไปอยู่ในสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมที่นั่นมีแต่ความสุขตลอดเวลาบารมมสุขบารมัง ส, สุขขังนี่คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกผู้ที่สิ้นกิเลสทั้งหลายเขาไปอยู่กันที่ตรงนั้น พวกเราเนี้ก็จะไปที่ตรงนั้นกันที่มาที่นี่ก็มาศึกษาหาหนทางที่จะพาเราไปที่ตรงนั้นกันเพราะพวกเราเบื่อกับความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายเกิดมาแล้วมันดีไหมเนี่ยต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยมันเหนื่อยยากไหมแล้วยังต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอีกความสุขที่ได้จากราบยศเสรรเสริมมันก็ชั่วประเดียวกระเดา ได้มาแล้วก็หายไปต้องหามาใหม่ต้องได้มากขึ้นถึงจะมีความสุขถ้าได้เท่าเดิมก็รู้สึกเซ็งเซงเบื่อเบื่ อ, อต้องมีต้องมีเพิ่มรายได้ขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียหมดเวลาตายไปหามาได้เท่าไหร่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ทิ้งไปหมดเอาไปไม่ได้แล้วก็กลับมาหาใหม่ พะไม่รู้ว่าตัวเองงั้นมีเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดใหม่ก็คือความอยากหาความสุขทางร่างกายนี้ถ้าคนฉลาดรู้ว่ายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าสิเอาเงินทองนี้ไปทาบุญบ้างไปฝากธนาคารบุญธนาคารบุญก็ธนาคารของภพหน้าชาติหน้านี้แหละพอกลับมาเกิดใหม่จะได้มีทรัพย์ลอเราอยู่ แต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ยอมทาบุญ เ, ออเก็บไว้ตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปพอกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่มีเงินทองรอเราอยู่ออหรือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนที่ท่านเป็นพระเวชสังดรนท่านก็ทาบุญแหลกเลยใครอยากจะได้อะไรใครขออะไรให้หมดเลยยกให้หมดเลยเออพอตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์ไปอยู่โรงแรมระดับห้าดาว สวรรค์นะเป็นโรงแรมชั้นต่างๆทำทำบุญมากก็จะได้อยู่โรงแรมที่มีดาวมากขึ้นไปแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเห็นมมีทรัพย์อยอยู่แล้วมาเป็นลูกของกษัตริย์พ่อกรลักเห็นอุตสาสร้างปราสาทให้ต้องสามหลังสามฤดูนี่อันที่สอ์ของการทำบุญทำทานถ้าเรายัง ยังยังไม่ไปถึงพระนิพพานเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่งั้นเราถ้ามีเงินมีทองก็เอาไปทำบุญเสียอย่าหวงแบ่งปันกันไปส่วนไหนควรจะให้ใครก็ให้ไปส่วนที่ควรเก็บก็เก็บไว้แต่อย่าเก็บไว้หมดอย่าหวงตายไปแล้วจะไม่เป็นประโยชน์เอาไปฝากธนาคารบุญบ้าง เพ่เรายังไปไม่ถึงนิพพานยังต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้มีทรัพย์รอเราอยู่เมื่อมีทรัพย์เราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องไปทำมาหากินปากกัดตีมตีมถีเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่ไม่มีเวลาเข้าวัดส่วนหนึ่งก็เพราะไม่มีเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอต้องปากกัดตีมถีหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยคนอย่างนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมา ทำบุญมารักษาสี่มาภาวนาได้แต่ถ้าเราทำบุญไว้ก่อนพอเรากลับมาเกิดมาเกิดเป็นลูกของคนรวยสบายไม่ต้องไปทำงานปากกัดตีนถีบถ้าเราชอบเข้าวัดก็เข้าวัดได้เลยไปทำบุญได้ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมได้นี่แหละผลที่เกิดจากการทำบุญสิบประการที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเนี่ย จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดขึ้นเรืงนี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆได้พบชาติที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆฐานะการเงินการทองดีเวลามาเป็นมนุษย์สุขสบายมีเวลาเวลาที่จะบําเพ็ญบุญต่อบําเพ็ญบุญที่สูงขึ้นไปตามลําดับบุญไหนที่เรายังไม่ได้บําเพ็ญเราก็กลับมาบําเพ็ญต่อได้เช่นถ้าชาตินี้เราเพ่งแต่ได้แต่ทาบุญรักษาศีลห้าชาติหน้าเราอาจจะมาทําบุญรักษาศีลแปด มามาอยู่วัดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะได้บวดเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นการพัฒนาจิตใจไปด้วยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโดยหลักก็คือทานศีลภาวนาเนือทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสี่ข้อเนี่ย ทำบุญทำทางเผอยังไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่สองไม่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขทางร่างกายไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษกับจิตใจเอาเงินไปทําบุญแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มใจจะทำให้อ่ไม่อยากไปเที่ยวไหนก็จะไปอยู่วัดได้ถ้าอยากไปเที่ยวมันก็ไปอยู่วัดไม่ได้คนที่เอาเงินไปเที่ยวมันจะติด จะอยากไปเที่ยวเรื่อยๆคนที่เอาเงินไปทําบุญนี้จะไม่ติดเที่ยวจะติดวัดจะติดกันจะชอบทําบุญจะชอบเข้าวัดก็จะได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องทําอะไรต่อไปรู้ว่าต้องรักษาศีลรักษาศีลห้าได้แล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดตอนต้นก็อาจจะเอา อาทิตย์ละวันก่อนวันพระก็มาถือศีลแปดวันปกติก็ถือศีลห้าไปแล้วพอเรามาถือศีลแปดมานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอได้ผลก็จะติดใจก็อยากจะรักษาอยากจะปฏิบัติมากขึ้นก็จะถือศีลแปดเพิ่มจากวันหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นก็ยิ่งยิ่งติดใจยิ่งชอบใจ ในที่สุดก็บวชเลยหรืออยู่วัดไ ป, ปนานๆเลยอยู่แบบนักบวชถึงแม้ว่ายังไม่ได้บวชก็อยู่แบบนักบวชได้ถ้ายังมีภาระอะไรบางอย่างที่ยังตัดไม่ได้แต่ก็จะไม่ไปเสียเวลากับภาระต่างๆให้มากเกินไปทำเท่าที่จำเป็นเมมีเวลาว่างก็เข้าวัดดีกว่าไปหาที่สงบไปบำเพ็ญ ทำใจให้สงบต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถมีความสุขโดยตามลาพังอยู่ตามลาพังได้นี่คือทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาก่อน แต่พอท่านไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ท่านก็ช่างนักเลยเหมือนกับว่าไปเจอป้ายบอกว่าอันตรายขับรถเร็วเกินไปให้ชะลอ<ม>ตอนที่ยังไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็หลงละเลิงกับการหาความสุขทางร่างกายแต่พอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายขึ้นมาโอ๊ยตายแล้วต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้ว่ะจะทำไงเวลาเป็นอย่างนี้ ก็จะทุกข์เท่านั้นเลยก็เลยคิดหนักวันีไปเห็นคนเป็นนักบวชก็เลยเห็นว่าอ๋อยังมีโอกาสไปเป็นไปเป็นนักบวชไปหาความสุขทางใจไม่ต้องมาพึ่งทางร่างกายก็เลยออกบวชได้ในที่สุดบวชแล้วก็สามารถหลุดพ้น จากการพึ่งร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายหายความสุขร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนสามีภรรยาแฟนบุตรธิดาจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้พึ่งเขาแล้วพึ่งความสงบพึ่งการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา นี่และที่พึ่งที่แท้จริงของใจทำมังสรนังกัจฉามิทำที่เป็นที่พึ่งของพวกเราก็คือศีลสมาธิปัญญานี่พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างน้อยก็ศีลแปดถ้าอยากจะบำเพ็ญสมาธิปัญถ้าอยากจะนั่งสมาธิเจริญปัญญาเ้าต้องตัดกิจกรรมทางร่างกายไปให้หมดถ้าศีลห้านี้มันยังไปทํากิจกรรมทางร่างกายได้ มันก็จะไม่มีเวลามาทำกิจกรรมทาง จ, จิตใจนี่คือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรดสรพลกเราก็จะหลงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากลูกเสียงเกล็นดนกกันเหมือนคนที่ไม่เข้าวัดกันเขาหากันเนี่ยก่อนที่เขาไม่เข้าวัดกันนี่เขา หาแตเงินเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยซื้อกันขายกันวุ่นไม่หมดวันนี้ได้กำไรกี่ล้านดีอกดีใจกันใหญ่พวกที่หาตาแหน่งก็วิ่งกันหาตาแหน่งเป็นนายพันนายพลเป็นผู้ว่าเป็นผู้จัดการเป็นอะไรต่างๆก็วิ่งหากันพอได้ก็ยินดีดมีมีความสุขกันแต่ไม่คิดถึงเวลาที่เสีย เะลาเสียก็หน้าทร้าสร้สอยหงอยเหงาเพราะเขาไม่เคยมาฟังเทศฟังธรรมเขาคิดว่าฟังธรรมนั่นเป็นเรื่องงมงายเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มองไม่เห็นเพราะเขาไปมองในเรื่องที่ไม่ทิพย์พิสูจน์ไม่ได้เรื่องนรกสวรรค์นี่มันคนไม่มีตาทิพย์มองไม่เห็นดอกนรกสวรรค์แต่เรื่องที่พิสูจน์ได้มีแต่ไม่สนใจ เรื่องการไม่ทำบาปกว่าการทำบาสนี่มันพิสูจน์ได้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันเรื่องการหาเงินกับเรื่องการหาธรรมะอันไหนมันดีกว่ากันอันนี้พิสูจน์ได้คุณหาเงินแล้วคุณมาหาธรรมะดูสิแล้วคุณจะเห็นผลแ ต, ตากต่างกันได้เงินร้อยล้านกับได้สมาธิอันไหนจะดีกว่ากันลองไปทดสอบดูเ่ของนี่มันทดสอบยากพิสูจน์ยากว่านั่งสมาธิกันนี่ มันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดนนั่งปุ๊บเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วนั่งปั๊บก็อึดอัดละไม่อยากจะนั่งละมันมีอุปสรรคมันเลยไม่สามารถพิสูจน์ทำที่พระเจ้าทรงสอนที่เราสามารถพิสูจน์ได้เร่องที่พิสูจน์ไม่ได้ก็แขนไม่ก่อนเนื่องนรกเนื่องสวรรค์เรื่องเวรว่าไ้ตายเกิดนี่ถ้าเรายังไม่มีตาที่ ม, มันไม่รู้หแอก จะมีตาทิม์ได้ก็ต่อเมื่อนั่งสมาธิทำใจให้สงบอา้าใจสงบแล้วตาทิพย์มันก็จะเปิดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นกายทิ่์เห็นเทวดาเห็นพูดผีปีศาจเห็นสัตว์นรกเห็นหมดแต่เขาไม่มีเวลาเขาอยากจะหาแตงเงินอย่างเดียว พอตื่นเช้าวันจันทร์ก็ไปละไปที่ทำงานละเตรียมตัวหาเงินกันละแล้วเย็ยนก็เที่ยวกันละไปกินไปดืม่มกันละก็ทำอย่างนี้ไปจนถึงวันแก่พอแก่ก็ซึมเศร้าไปไหนไม่ได้้ะแล้วตายก็เครียดทุกข์นี่เป็นผลจากการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจันทรูริ้งกาย ถ้ามหาธรรมมหาศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะผ่องใสเบิกบานมีความสุขตลอดเวลาไม่มีเงินแม่แต่บาทเดียวก็ไม่เดือดร้อนเาใจไหมเข้าใจครับมีอะไรอยากจะถามหไหมมีใครอยากจะถามอะไรบ้างถามได้นะ ถ้า ไ, ไม่ถามเดี๋ยวจะให้พรเพราะว่าใกล้ถึงเวลาของตอนแรกจะหมดแล้วเดี๋ยวมีตอนที่สองมีถามตอบปัญหาจากทางบ้านคราวนี้จะได้ให้พรเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ท่านที่ต้องการจะกลับจะได้กลับได้ แ้วท่านที่มาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาถวายข้าวของต่อได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอาไปได้นะอันนี้ที่สวนมีอยู่กี่คนะวันนี้ว่าถ้าวันนี้สามคนครับมคนคนมาวันนี้อยู่ห้าวันแล้ว่าใชรเป็นเป็นที่มาบนเขาเนี่ยอ่อยู่พัตยาน มันสามที่ที่านมาก็คนหนึ่งที่น้องได้มีอยู่กี่ไร่นะยี่สี่ไร่เขาเยอะเหมือนกันนี่ยนะคือมันอยู่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับไข่ดาวเขาพี่จันมันสงบมากจนทุกคนจะบอกว่าไม่อยากเชื่อว่ามันเหมือนคือพัติการอมันอยู่ในเมืองพัติการยี่สิบสี่ไร่เนี่ยเยอะเหมือนกันสร้างวัดได้ใช่ไหครับไม่ไปบวชเป็นเจ้าอาวาสสงสารศาสนา อ่ามีคำถามไหมมีค่ะอ้าเอเลยคำถามจากโยมโจ๊อาจารย์มีวิธีแนะนำปฏิเสธคนขอยืมเงินยังไงครับช่วยแนะนำหน่อยครับก็บอกผมไม่ใช่เป็นนายธนาคารเนาะผมไม่ได้ทำงานที่ธนาคาร ที่ยืเมเงินก็คือที่ธนาคารคำถามจากคุณหนูถ้าหนูยังถือสีได้แค่สีห้าแต่เคยนั่งสมาธิจนคิดว่าจิตรวมแต่วันก่อนพระอาจารย์กล่าวว่าต้องถือสีแปดจิตถึงจะรวมได้แสดงว่าที่หนูจิตรวมนั้นหนูเข้าใจผิดใช่ไหมครับแค่สงบระดับหนึ่งเฉยเฉยหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกคนบางคนมีสติมาก ก็สามารถที่จะทำจิตให้รวมได้แต่ที่ให้ถือสิ้นเพื่อจะได้มีเวลาไปสร้างสติกันสาหรับคนที่รวมไม่ได้แต่คนที่รวมได้นี่ก็จะรักษาศิลนกี่ข้อก็แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะชาติก่อนๆ อ, อาจจะเคยฝึกสติมามากแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปถือสิ้นก็ได้แต่การไม่ถือศินนี่ก็อาจจะ มีศีลแปดโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้เช่นไม่เที่ยวไม่ดืม่มไม่ดูหนังฟังเพลงมันก็มีศีลแปดของมันโดยที่เป็นธรรมชาตินี่ยงนี้คนบางคนนี่เขามีศีลแปดโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขามีศีลแปดก็ได้เข้าใจไหมเขาไม่ไปร่วมหลับนอนกับใครเขาไม่มีแฟนี่เขาก็มีเขาก็มีศีล ข, ข้อสามละ เขาไม่กินข้าวเย็ยนหร้อเขากินน้อยกินไม่ได้กินแบบบุมามกินแบบหิวโหยกินไปพอให้ร่างกายอยู่ได้ น, นี้มันก็ถือว่าเหมือนกับมีศีลข้อหกแล้ะแล้วไม่เปิดทีวีดูไม่ฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามผับาตามบ้านนี่มันก็มีศีลแปราะงั้นบางทีศีลแปในคนบางคนก็มีอยู่แล้วโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขามี เ, เขาคิดว่ามีศีลแปจะต้องมาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาว ถึงจะถือศีลแปดอันนี้มันรูปแบบของการถือศีลแปดแต่ตัวศีลแปดจริงๆไม่ต้องมานุ่งขาวห่มขา ว, มขาวไม่ต้องมาอยู่วัดก็ได้ถ้าเราไม่ไปเที่ยวกลางคืนล้วไม่ไปร่วมหลับนอนกับใครมันก็มีแล้วไม่กินข้าวเย็นนมันก็มีแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากมันก็มีอยู่แล้ว ฉันคนบางคนก็มีศีลแปดโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเขามีศีลแปดก็ได้ mm hmm. เขาก็ไปดูรูปแบบไงว่าอ๋อถ้าไม่ถือจะจะถืถอศีลแปดนี่ต้องไปอยู่วัดตอนนุ่งขาวห่มขาวอันนั้นเป็นเพียงรูปแบบแต่ตัวศีลจริงๆอยู่ที่การประพฤติของเราฉะ mm hmm. นั้นบางทีคนที่มีศีลแปดแล้วไม่มีไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าตอนเองมีเวลานั่งสมาธิก็เขาก็สงบได้ ที่เขานั่งสงบได้เขาเพราะว่าเขาคงไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะถ้าเขยังไม่ดูหนังฟังเพลงอยู่เขาคงยังมานั่งสมาธิไม่ได้หรอกใช่ั้มเอ็นหนูอ า, อาจจะมีศีลแปดโดยที่ไม่รู้สึกตัวก็ได้นะคำ ถ, ถามจากคุณสุกิตาภาวนาพุทโธตอบทุกวันต่อเนื่องมาเรื่อยๆเจ็ดวันแล้ว อยู่ดีๆจิตแข่งและเกิดความกลัวจนต้องหยุดภาวนาต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะเวลาแข่งยิ่งต้องยิ่งภาวนาใหญ่จะได้ให้มันหายแข่งที่มันแข่งก็เพราะเราไม่ได้ภาวนานั่นเองเราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาจิตแข่งจิตกลัวนี่อย่าปให้มันไปคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งกลัวใหญ่ให้หยุดความคิดให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปพออยู่กับพุทโธมันก็คิดไม่ได้พอคิดไม่ได้มันก็หายกลัวหายแข่ง มันก็สงองคำถามจากคุณสิริวัณถ้าเราเกี่ยวข้องกับใครถ้าเรามีสติจิตสำนึกจะออกมาออกมาบอกเองใช่ใช่หรือเปล่าคะคำถามนี้มันฟังมันไม่รู้หมายความว่าอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครแล้วมันออกมาเองมันอะไรกันเขียนมาใหมเ่เลยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถ้านั่งสมาธิกับพื้นไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกจะนั่งเก้าอี้แล้วดูลมหายใจแทนได้ไหมคะได้ยังได้นั่งในท่าไหนก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่สติสติควบคุมความคิดถ้าไม่คิดใจก็สงบได้คำถามจากคุณชาติมนลลูกนั่งสมาธิที่บ้านเป็นประจำพอเมื่อยขามากๆ ก็จะนวดคลายเส้นผ่อนคลายแบบนี้ถือว่าทำได้ไหมคะทำได้แต่จะไม่ก้าวหน้ามันจะติดตรงนั้นพอนั่งแล้วพอเริ่มเจ็บเริ่มปวด mm hmm. ก็หยุดภาวนามานั่งนวดเส้นนวดขาต่อมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นถ้าอยากจะให้มันคาบตรงนั้นไปก็ต้องปล่อยมันอย่าอย่าไปยุ่งกับมันมันจะเจ็บมันยังไงก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็ภาวนาต่อไปถ้าเรามีสติดี ใจไม่วักแวกใจไม่หวั่นไหวกับความเจ็บเดี๋ยวมันก็จิตใจก็สงบแล้วความเจ็บของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมีอุปสรรคนั่งได้นานนั่งได้สงบได้ลึกคําถามจากคุณธนิตผมอยู่อินโดนีเซียอธิษฐานขอพระธาตุได้มาองคหนึง่งผมกลับเมืองไทยผมนําพระธาตุใส่กรอบพระสมเด็จ พอผมติดป่าพระาธาตุก็หายไปเลยครับเพราะเหตุใดครับว่ามันอนิจจ์เลยมีมามีไปมีเกิดมีดับของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทาวรอนได้มาแล้ววันหนึ่งก็ต้องเสียไปยันอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติดให้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการสูญเสียรับกับการพลาดจากกันเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะในสวนข้อที่1ถ้าลูกมาปฏิบัติมีเวลาน้อยแค่หนึ่งคืนควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้บุญมากๆและลูกขอแนวทางปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะก็ต้องรักษาศีให้ได้นะแล้วก็จเจริญสติให้มากๆแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบ แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาทำสิ่งเหล่านี้ทำได้มากเท่าไหร่ก็จะได้มุ่นมากขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากคุณพัทธลพรตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันว่าไปนู่นไปนี่หรืออยู่ที่นั่นที่นี่หรือแม้กระทั่งว่าได้พบญาติที่ร่วงลับไปแล้วนั่นคือดวงจิตของเราหรือเปล่าครับก็จิตของเราเนะีะมันฝันไปคิดไปคิดไปตาม เหตุการณ์ที่เราทํามาถ้าเราทําเหตุการณ์ดีเราก็จะฝันดีถ้าเราทําเหตุการณ์ไม่ดีเราก็จะฝันร้ายถ้าเราไปทํำบาปทากรรมไปมีเรื่องมีราวกับใครเวลาหลับมันก็จะฝันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีเวลาเราไปทําบุญเราไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เวลางอนหลับเราก็จะฝันดีคํำถามจากโยมต้อยโย โยมเดินจงกรมอยู่นานรู้สึกเมื่อยจึงยืนสมาธิเมื่อสุดทางรู้รูป ก, กายยืนอยู่จิตว่างโปง่งโล่งสว่างแจ่มใสไม่มีความคิดใดๆสอดแทรกเข้ามาสงบได้สงบไม่ถึงสองนาทีหายเมื่อยจึงเดินจงกรมต่อโยมขอเรียนถามว่าแทนที่จะเดินต่อควรนั่งทํำสมาธิเพื่อให้จิตรวมนึกถึงไป ลึกลงไปหรือเจริญปัญญาพิจารณาไตรักของรูปนามกายจิตต่อคะถ้ายังไม่มีสมาธิก็เจริญสมาธิก่อนอย่าเพิ่งไปเจริญทางปัญญาให้มีจิตมีสมาธิให้มีความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเจริญทางปัญญาเพราะถ้ายังไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่มีประโยชน์ ปัญญาจะไม่มีกําลังมาฆ่ากิเลสได้ปัญญาจะมีกําลังต่อเมื่อมีสมาธิมาสนับสนุนเอ็นต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาข้อที่สองยมฟังคําสอนของหลวงปู่มั่นในขันธิมุตติสมางคีธรรมะถึงตอนที่หลวงปู่พูดถึง ต้นจิตปลายจิตฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องฟังซ้ครั้งต่อต่อมาก็คิดว่าพอเข้าใจบ้างหรือฟังผ่านผ่านไปบ้างฟังครั้งหลังสุดนี้เข้าใจว่าต้นจิตหมายถึงทีติจิตที่มีอวิชชาและปลายจิตหมายถึงวิญญาณในขันธ์และอายตนะคือจิตเ จ, เ จ, เจตสิกที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนว่าการยึดถือปลายจิต ผิดทันทีท่านให้เฝ้าดูต้นจิตและทำลายกิเลสปัญหาในจิตแท้จิตเดิมเพราะเหตุนี้จึงต้องฝึกครองสติ ต, ตลอดวันและเจริญอนัตตานสมาธิให้เข้าถึงต้นจิตเพื่อตามรู้ทันและมีกำลังทำลายความอยากต่างๆโยมเข้าใจผิดถูกอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาแก้ไขให้โยมเข้าใจถูกด้วยค่ะก็ถูกแล้วนะจิตของเราตอนนี้พวกเราอยู่ที่ปลายจิตกัน ไปอยู่ที่ลูกเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปติดมันไปทุกข์กับมันเราต้องดึงจิตให้กลับไปอยู่ที่ต้นอยู่ที่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆเวลาเกิดความโลภ ก, ก็จะหยุดมันได้เกิดความโกรธก็จะหยุดมันได้แต่ถ้าไปอยู่ปลายจิตนี้หยุดมันไม่ได้เหมือนมันเป็นไฟที่ลามไปแล้วไฟที่ลุกไหม้แล้วแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ต้นจิตพอไฟจะเริ่มลุกเราก็ดับมันได้กิเลสตัณหามันจะเกิดที่ต้น จิตแล้วมันก็จะบาดมันก็จะแผ่ออกไปที่ปลายจิตถ้าเราอยู่ปลายจิตนี่เราไปอยู่ที่ไฟมันลุกแล้วดับมันไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่ต้นไฟนี่พอมันเริ่มลุกขึ้นมาปับ๊บเราก็หยุดมันได้เลยในการภาวนานเพื่อดึงจิตให้เข้าไปสู่ที่ต้นตอนนี้จิตของเรามันออกมาที่ปลายมาที่รูปเสียงกลิ่นรสมาที่ความอยากต่างๆมันถูกความอยากผลักออกมา ความโลภความโกรธความหลงผลักให้เราออกมาหาลูกเสียงกลิ่นรสพอออกมาแล้วมันก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาเราต้องดึงใจกลับเข้าไปไปสู่ต้นจิตไปสู่ที่ตัวรู้ตัวรู้ก็อยู่ในสมาธินี้ถึงบอกให้ฝึกสมาธิให้ได้ก่อนแลถึงจะใช้ปัญญาดับกิเลสได้ถ้าใจยังไม่อยู่ที่ต้นไปอยู่ที่ปลายนี้ปัญญาไม่ไม่มีกาลังที่จะหยุดมันได้ คำถามจะคุณสุทานนท์นะครับที่บ้านดิฉันนับถือนิกายที่สืบทอดมาจากญี่ปุ่นเมื่อโตขึ้นมาดิฉันก็สนใจเกี่ยวกับการเจริญสติและปฏิบัติวิปัสสนาโดยได้เข้าคอร์สทุกปีและปฏิบัติเองที่บ้านมาประมาณห้าปีแล้วบางครั้งตอนเช้าดิฉันจะไปทำบุญและนั่งสมาธิที่วัดเพราะสงบมากแต่คุณแม่ท่านจะดูว่า ใช่ลูกของท่านหรือเปล่าถ้าเป็นลูกแม่ก็ต้องไปแนวทางเดียวกับที่ท่านศรัทธาดิฉันไม่โกรธแต่ไม่สามารถทําให้คุณแม่เข้าใจได้เคยชวนปฏิบัติหลายครั้งแต่ท่านไม่สนใจแต่ท่านก็ไม่เคยห้ามเวลาที่ฉันไปเข้าคอร์สจากนี้ดิฉันอาจจะไม่ไปทาบุญที่วัดแต่ปฏิบัติที่บ้านและฟังธรรมทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอย่างนี้ได้ไหมคะ ก็ได้ทางไหนก็ได้ขอให้มันเกิดผลก็แล้วกันถ้าทำแล้วไม่เกิดผลมันก็ไปทำที่มันที่เกิดผลไม่ดีกว่าเลยเหมือนปลูกข้าวเนี่ยเราจะเลือกปลูกในที่ลุ่มก็ได้ในที่ดอนก็ได้ถ้าปลูกในที่ลุ่มน้ําก็ดีดินก็ดีผลมันก็จะได้มากถ้าไปปลูกในที่ดอนไปปลูกบนเขาน้ํามันน้อยดินมันน้อยมีแต่หินนี่ ปลกมันก็จะได้ผลน้อยฉันใดการปฏิบัติที่บ้านกับการไปปฏิบัติที่วัดมันก็เหมือนกับปลูกข้าวในที่ที่ต่างกันนั่นเองถ้าไปปลูกที่วัดนี่มันที่มันดินก็ดีน้ำก็ดีผลมันก็ออกมาเยอะถ้าไปอยู่ที่บ้านมันก็เหมือนน้ำไม่ดีดินไม่ดีผลมันก็ออกมาน้อยวัดพืชก็เยอ ะ, มะแมลงสัตว์มากัดก็เยอะ อยู่บ้านเดี๋ยวคนนั้นก็มารบกวนจิตรบกวนใจเดี๋ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามากระทบมันมีเรื่องจิตปาฐะร้อยแ0ด0 0ประการที่จะมาทำให้การเจริญมันไม่เจริญแต่ถ้าไปอยู่วัดนี่มันไม่มีอะไรมารบกวนจิตรบกวนใจมีแต่ปัจจัยเสริมปัจจัยส่งสนับสนุนให้ให้ออกดอกออกผลงั้นผู้ปฏิบัติต้องดูที่ผลเป็นหลัก ว่าที่ที่เราปฏิบัตินี้มันให้ผลอย่างไรดีกว่าที่ที่นั่นที่นี่หรือเปล่าหรือที่นั่นดีกว่าที่นี่ที่ไหนให้ผลดีก็ต้องไปที่นั่นเหมือนเราเวลาจะฝากเงินเราไปดูให้ธนาคารไหนให้ดอกมากกว่ากันใช่ไหมธนาคารนี้ให้บาทเดียวธนาคารนั้นให้สองบาทเราจะไปฝากที่ไหนเราก็เลือกฝากธนาคารที่ให้ดอกผลมากอันใดการปฏิบัติก็เหมือนกันเหมือนกับเอาเงินไปฝากที่ธนาคาร ปฏิบัติที่บ้านได้ดอกเพียงบาทเดียวปฏิบัติที่วัดได้ดอก2บาทนี่จะเอาอะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะมีความจาเป็นไปไม่ได้ก็ต้องฝากที่บ้านไปทาที่บ้านไปเอาเดอกแค่บาทเดียวก่อน period, ถ้ามีเวลามีโอกาสค่อยไปปฏิบัติที่วัดก็จะได้เอาเอาดอก2บาท เหมือนกับเขาต้องการให้กาตันยูแบบแม่ก่อนนะครับต้องเอาใจไปก่อนว่าก็นั่นงที่ท่านบอกว่าแล้วแต่จะเอาจะเอาอะไรไงะจะเอากตันยูหรือจะเอาผลจากการปฏิบัติมันก็ต้องเลือกการไปปฏิบัตินี้ก็ไม่แน่เหมขาจะเป็นอากาตันยูแต่อย่างใดเพียงแต่เราคิดไปเองว่าทําให้แม่ไม่สบายใจแล้วเราก็เลยคิดว่าเป็นอากาตันยู จริงไม่ใช่ล่ะเพราะพระพุทธเจ้าก็ทําให้พ่อไม่สบายใจไปบวชนะแต่ถ้าไม่ได้ไปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแล้วท่านจะมาสอนให้พ่อเป็นพระอาหารหันต์ได้หรือเปล่าเราต้องมองให้มันไกลมองให้มันตลอดไม่ใช่มองแต่แค่จุดสั้นๆไม่มองระยะสั้นๆเราต้องมองระยะยาว ถ้าเราไปวดัดไปปวดไปปฏิบัติเราบรรลุธรรมเดี๋ยวเรากลับมาสอนแม่ให้บรรลุธรรมได้ไม่ดีกว่าดีกว่าอยู่กับแม่ให้แม่สบายใจนิดนิดหน่อยๆน่อยแล้วเราก็ไม่ได้บรรลุแม่ก็ไม่ได้บรรลุต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปคำถามจากคุณบุญเกียรตินะครับคำว่าอาโหสิกรรมหรือให้อภัยสามารถล้างบาปที่ทามากับผู้นั้นได้หรือไม่ครับ บาปนี่มันทำไปแล้วมันล้างไม่ได้แต่มันล้างเวรได้ล้างการล้างการจองเวรได้ถ้าเราไปขออภัยกับคนที่เราไปทำทาให้เขาเกิดความเสียหายขึ้นมาถ้าเขาให้อภัยเขาก็จะไม่มาทาร้ายเราส่วนอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นผลของบาปหรือไม่เราก็ไม่รู้อาจจะไม่มีผลอย่างอื่นก็ได้เมืนะ่อนะนะนะเขาไม่มีจองเวรจองกรรมกับเราแล้ว แต่ของบางอย่างมันให้อภัยไม่ได้มันให้คืนไม่ได้ไปฆ่าเขาแล้วไปขอขอศีกรรมกับเขาเัี้ยไปขอศิกได้ยังไงเขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมชาติหน้าเจอกันเขาอาจจะกลับมาฆ่าเราก็ได้แต่ถ้าเขายังไม่ตายเรื่องที่ยังไม่ตายเขาให้อภัยได้เขาก็จะไม่จองเวรจองกรรมกั บ, กบเราคําถามที่คุณมานะครับะผมย่อคําถามนะครับคือตอนอายุสิบ และ11ขวบเขาและน้องสาวนะครับได้อยู่กับพ่อซึ่งพ่อและแม่ได้แยกทางกันนะครับแล้วพ่อก็เป็นคนกินเหล้านะครับแล้วไม่เอาไหนนะครับแม่จึงจึงโทรให้แม่ให้ให้แม่มารับไปอยู่ด้วยนะครับแล้วแม่ก็มาอยู่บ้านใหม่ซึ่งมามาอยู่กับผู้ชายคนใหม่นะครับแล้วก็อยู่ได้ประมาณ10ปีตอนนี้เขายุ่ง20แล้วแต่มาจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยมีเมียอีกคนนึงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็แค้นใจและเขาก็ แต่จาเป็นจะต้องอยู่บ้านเดียวเพราะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยอยู่จาเป็นต้องอยู่บ้านเดียวแบบพุอา่าพ่อใหม่ไปก่อนซึ่งเขาก็เรียกว่าพ่อนะครับแต่ตอนนี้เข า, าผมแทบอยากจะฆ่าพ่อให้ตายคา ม, มือที่หลอกลวงแม่ผมให้มาอยู่ในสถานะแบบนี้ผมควรทำอย่างอย่างไรดีครับมันไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยมันเรื่องของแม่กับเขาต่างหากเราไม่ควรที่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วสิ่งที่เขาทากับแม่อาจจะ ไม่เสียหายก็ได้เลี้ยงแม่ดูแลแม่ให้แม่มีที่อยู่อาศัยมีคนดูแลรักษาเขาเขาจะไปมีแฟนที่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคำถาม ส, สกุลสติมานะครับหนูขออนุญาตเรียนถามเราควรเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างไรและพิจารณาอะไรถึงจะบรรลุธรรมคะ ก้ขั้นต้นต้องมีสติก่อนไงต้องเจริญสติก่อนต้องพุโทโธพุทโธในทุกิริยาบทเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพุโทโธไปก่อนให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วถึงค่อยไปพิจารณาตายรักพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองอยู่ที่เรามีอยู่เช่นเงินทองมันก็ไม่เที่ยง คนนั้นคนนี้ก็ไม่เที่ยงบิดามารดายผู้ย่าตายายญ่ยาเสนตมิสหายสามีภรรยาบุตรธิดาร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงทุกคนทั้งวันหนึ่งก็จะต้องตายจากกันไปให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลาเกิดการตายขึ้นมาก็จะคําถามจุลเด็กบ้านนอกนะครับลูกอยากถามว่า ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาฆ่าคนตายแล้วกลับใจมาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเขามีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ไหมครับได้ถ้าเขามีธรรมถ้าเขาสามารถเจริญศีนสมาธิปัญญาได้เขาก็บรรลุธรรมได้บาปกรรมที่เราทํำในอดีตมันก็เป็นเรื่องของอดีตไปถ้าเราไม่ทําต่อไปแล้วเรามาทําสิ่งที่ดีอ มันก็จะได้ผลดีเกิดขึ้นส่วนบาปกรรมที่เราทาไว้ผลของมันก็ย่อมเกิดขึ้นมาต่อไปได้เราไปฆ่าเขาเขาอาจจะกลับมาฆ่าเราในชาติหน้าก็ได้ถ้าเราไปเจอเขาคำถามจากคุณนิรัชราการอภัยทานคือเฉยทุกเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธไม่พอใจถ้าแบบไม่อยากเจอหลีกเลี่ยงเอาแบบนี้ถือว่าอาภัยไหมคะ ก็อยู่ที่ใจเราอาภัยหรือไม่อภัยมันก็รู้อยู่แก่ใจถ้าเรายังไม่อภัยก็หลีกเลี่ยงไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคืออย่างน้อยก็อย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมเขาแต่เรายังอาจจะโกรธเขาอยู่บ้างไม่พอใจเขาบ้างอันนี้ก็แสดงว่าเรายัางยังไม่ได้ให้อภัยได้อย่างเต็มที่ คำถามจากคุณดอฟินเวลาทําของถวายพระก็ทําแต่พอดีเพราะว่ามีคนอื่นก็ทําเหมือนกันแต่แต่มีคนพูดมาว่าทําน้อยอย่างนี้สิถึงไม่รวยหมายความว่ายอย่างไรคะก็อย่างว่าแหละเหมือนกับทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ได้มากแต่รวยไม่รวยไม่ได้หมายถึงรวยชาตินี้นะรวยชาติหน้าชาตินี้ทามากก็ยิ่งจนลงไปเลยเงินก็ยิ่งน้อยลงไป แ ต, แต่จนชาตินี้แต่ไปด้วยชาติหน้าจะเอาอยัางไงถ้ารวชาตินี้ก็ไปจนชาติหน้าเพราะไม่ทําบุญคำถามจากคุณคาาปัจจุบันนั่งสมาธิอยู่กับบ้านนั่งสมาธิเช้าเย็นนั่งสมาธิจิตสงบได้เร็วมากครับพอจิตสงบก็เข้าพวาวงตลอดครับแต่หลังๆในพวาวงนี้เริ่มที่จะรู้สึกตัวบ้างครับขอคำแนะนพาพระอาจารย์ว่า วันดำเนินต่ออย่างไรดีครับก็มาระวังนี้รู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็เป็นสมาธิถ้าไม่รู้สึกตัวก็เป็นหลับฉะนั้นต้องนั่งให้มันไม่ไม่หลับต้องนั่งแล้วมีรู้ความรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าหลับก็แสดงว่าสติหมดกําลังก็ต้องหมั่นจเจริญสติให้มากขึ้นเพื่อเวลาจิตรวมแล้วจะได้ไม่หลับ วเวลานั่งนี่มั น, ม, นมีสองผวังผวังหลับกับผวังสมาธิถ้านั่งแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็แสดงว่าเข้าผวังหลับถ้านั่งแล้วมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นผวังสมาธิคําถามจากคุณสิริวัลถ้าเราเกี่ยวข้องกับใครเมื่อเราฝึกสมาธิไปมากๆแล้วจิตเราจะสามารถรู้สึกออกมาเป็นความรู้สึกว่าเคยผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับคนที่เราพบเจอ โดยเหตุปัจจัยพาไปเจอใช่เปล่าเจ้าคะคือความรู้สึกของเรานี้บางทีก็ไม่แน่นอนบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนรอดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่าไปสนใจมันไม่สาคัญการปฏิบัติของเรานี้ไม่ต้องการมาดูเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือว่า เวลากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราเราเร า, เราหยุดมันได้หรือเปล่าเวลาเกิดความโลภแล้วมันหยุดได้หรือเปล่าเกิดความโกรธแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าเกิดความโง่แล้วหยุดได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะทำแต่เรื่องความรู้สึกนึกคิดต่างๆว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับคนนั้นมาในอดีตมีอะไรผูกพันกันมาอันนี้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่เป็นสาระประเด็นสาคัญ ประเด็นสําคัญก็คือให้รู้ว่าทุกเกิดและลรดดับมันได้หรือเปล่าคําถามจากคุณมนตรีตอนนี้ปฏิบัติทำอยู่ครับเวลานั่งสมาธิจิตก็รวมสงบดีแต่เวล า, าออกจากสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมต้องทําอย่างไรต่อครับก็เวลาออกจากสมาธิก็ต้องเจริญสติต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยออกจากสมาธิมาก็ต้องพุโทโธต่อไป ควบคุมความคิดไว้อย่าปล่อยให้คิดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเวลาไปเห็นอะไรก็อย่าปล่อยให้มันเกิดมีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ให้ดึงกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะไม่ฟุง้งซ่านคาถามจากคุณขอตามเธอไปไม่สามารถดำงรงสติไว้ได้ตลอดให้เป็นให้เป็นวงกลมติดต่อกันค่ะภูมิใจมาก พอตอนปฏิบัติก็ทําได้ดีแต่พอเลิอกออกมาในโลกประจําวันทุกอย่างก็หลุดหมดขอเมตตาจากพระอาจารย์แนะนําการปฏิบัติค่ะก็กลับไปที่มันทําให้เราปฏิบัติดีใด้ที่ไหนที่ปฏิบัติไม่ดีก็อย่าไปอยู่ไปอยู่ที่ทําให้เราปฏิบัติดีถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องทําใจว่ายังติดยังมีเวณมีกรรมอยู่ยังต้องใช้เวณใช้กรรมอยู่ถ้าไปได้ก็ไปเลยถ้าไปไม่ได้ก็ต้อง รับใช้กรรมไปก่อนคําถามจากป้านอมสมัยเด็กๆลูกเคยขโมยเงินลุงเป็นกระปุกอมสินแล้วยังติดใจอยู่อยู่ที่ใจเราจะไปบอกลุงและขอให้ลุงอโหสิกรรมให้ถ้าลุงอาโหสิกรรมให้บาปนั้นจะหายไปหรือไม่เจ้าคะแต่ไม่แน่ใจลุงจะโหสิกรรมให้หรือโกรธมากกว่าเดิมคะ่ะก็เรื่องอาโหสิกรรมก็เรื่องเกี่ยวคนที่เรา ไปสร้างความเสียหายให้ถ้าเขาเอาโหสิกรรมเขาก็จะไม่มาคิดร้ายกับเราแต่เรื่องบาป ท, ที่เราทำนี้อาจยังจะต้องใช้ต่อไปชาติหน้าอาจจะมีลูกมีหลานมาขโมยเงินของเราไปก็ได้คาถามจากคุณแอมจริงหรือไม่คะคนเราพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ไม่รู้แหะจะบังเอิญแล้วไม่บังเอิญมันก็แล้วแต่ ที่ไม่บังเอิญก็คือเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหอย่างวันนี้มาเจอกันนี้ก็ตั้งใจหรือเปล่าถ้าตั้งใจก็ไม่บังเอิญนะวันนี้โยมตั้งใจมาหาเราหรือเปล่าถ้าตั้งใจมาหามาเจอกันนี้ก็ไม่เรียกว่าบังเอิญแต่ถ้าไปเจอกันโดยที่ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจก็ถึงจะเรียกว่าบังเอิญพระอาจารย์ครับเป็นคำถามของถามแทนผู้ปฏิบัติที่ธรรมะในสวนครับซึ่งเขามีอัตตามานะมากแล้ว พอดีว่าครอบครัวเขาเลี้ยงมาอย่างนี้ครับเขาก็เลยแบบว่าทําให้และแล้วก็บางทีจะฟุ้งซ่านครับฟุ้งซ่านแล้วก็แบบว่าใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยจะเก็บไปคิดมากจนบางทีไม่น่าเชื่อว่าเออ่าไม่มีใครคิดอะไรเลยแต่เขาก็เขาก็คิดจนบางทีร้องไห้ด้วยอะไรด้วยแบบว่าคือฟุ้งซ่านมากครับแต่ว่าเหตุที่ทําให้เขาต้องมาปฏิบัติธรรมเนื่องจากอ่าครอบครัวเขาเนี่ยมีมีผู้มีผู้เสียชีวิต เขาก็เลยเหมือนทําใจไม่ได้ก็เลยต้องมาปฏิบัติทรมนะคเขาก็เคยไปอยู่ที่อื่นมาปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ธรรมะในสวนนะครับแล้วก็จะมีบายใดที่จะช่วยเขาได้บ้างครับพระอาจารย์จากก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้ปัญหาอยู่ที่หยุดความคิดไม่ได้คิดแล้วก็ฟุ้งซ่านอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอาเก็บมาคิดคิดแล้วก็ไม่สบายใจ การที่จะคิดกับไม่พุโทโธไปพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะทุกอย่างก็จะผ่านไปใครพูดอะไรใครทําอะไรพอเห็นปุ๊บมันก็ผ่านไปพอจะคิดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันไม่มีสติมันถึงเป็นอย่างนี้กันคนที่เสียสติเขาเรียกว่าคนบ้าไงถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะกลายเป็นคนบ้าได้เพราะมันจะคิดฟุ้งซ่านแล้วเครียดทรมานใจจนกระทั่ง ไม่สามารถที่จะประครับประครองชีวิตของตนให้อยู่ตามปกติได้ฉะนั้นต้องดึงสติกลับมาให้ได้ไม่งั้นต่อไปจะจะจะลำบากจะแย่ ก, กว่านี้เหมือนกับกําลังวิ่งลงเขาไงยิ่งปล่อยให้เริ่มนั้นวิ่งลงเขาเดิมมันยิ่งวิ่งเร็วใหญ่ฉะนั้นต้องเบรกมันต้องเหยียบเบรกเบรกก็คือสติคอยหยุดความคิดต้องขยันพุโทโธให้มากๆเลยอย่าปล่อยให้คิดพุดโทโธพุโทโธไป ส่วนเรื่องอัตตามรณะผมมีอุบายที่อยากจะให้เขาเนี่ยอ่าช่วยเหลือผู้อื่นมากๆทําเพื่อผู้อื่นมากๆจะใช้ได้ผลก็ได้การเสียสละก็เป็นการลดการเห็นแก่ตัวเช่นถ้าเกิดว่าวันไหนขึ้นเขามาด้วยกันก็บอกอ่ะไปปูเสือไปอะไรกั่งให้ไปทําช่วยเก็บช่วยคราบทำอะไรทําสาธารณประโยชน์ไม่มีครับไม่ได้เลย ก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้คงจะถามกันมาจนหายสงสัยกันหมดแล้วท้ง น, นี้มีใครยังสงสัยอะไรา ย, ยอะปะอยากจะถามอะไรไหมเป็นยังไงพอยังฟังวันนี้มาฟังที่บ้านกับฟังที่นี่ต่างกันไหม ตัเองจะดีกว่าที่เราฟังทางธรรมอะค่ะก็จะพยายามมาทางนี้ให้บ่อยขึ้นค่ะก็ฟังที่บ้านก็ได้แต่บรรยากาศที่บ้านอาจจะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มันสงบแล้วไม่มีอะไรรบ ก, กวนใจฟังที่บ้านมันอาจจะมีบรรยากาศมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ยังทั่งท้างใจยอยู่ทําให้เวลาฟังนี้มันไม่มีรสชาติก็ได้ ฟังไปอาจจะยังมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องค้างๆอยู่ในใจแต่มาถึงที่นี่มันมันมาก่อนจะมาถึงที่นี่ได้ต้องมาหลายชั่วโมงเรื่องราวที่มันค้างค้างใจมันก็จะหายไปพอมาเจอสถานที่ที่สงบไม่มีเรื่องราวมันก็จะทำให้ฟังเทศฟังธรรมได้อัธรรถมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะไม่มีเรื่องค้าง ข้างทางอยู่ภายในใจบางทีเรานั่งฟังธรรมแต่ถ้ามีเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่มันก็จะคิดอยู่กับเรื่องนั้นธรรมที่เราฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วอย่างถ้าเกิดเรากล้องน้ำฟังธรรมด้วยจะบาสนะคะไม่บาบหรอกฟังได้เพียงแต่ว่าเราต้องดูการรักเทสะดูความเหมาะสมถ้าคนเกิดเขาลังเกียรติเราก็ฟังใส่หูฟังไปก็แล้วกันอย่าให้เขารู้ว่าเรากาลังฟังอะไร บางคนก็ยังแยกแยะอยู่ว่าของสูงของต่ำเอา แ, แยกแยะว่าห้องน้ำเป็นที่ต่ำเกี่ยวเรื่องสูงหรือต่ำแล้นเรื่องอยู่ที่ว่าฟังหรือไม่ฟังฟังด้วยสติหรือฟังด้วยไม่มีสติอันนี้เป็นพราเราฟังเพื่อให้เกิดผลถ้าเราอยู่ในห้องน้าฟังแล้วบรรลุได้ก็ฟังในห้องน้าก็ได้ <c oughs> บรรลุคือเห็นอาหารแล้วก็เบื่อเลยต่อไป เวลาอยากจะกินอาหารเทไรพอนึกถึงเวลาอยู่ในห้องน้ำนมันก็ทำให้เราไม่หิวเลยอิ่มเลยดีไม่ต้องกินข้าวกินมากเกินไปก็อ้วนนะอันนี้ก็บรรลุได้เหมือนกันดังนั้นการฟังธรรมนี้ฟังเพื่อให้เกิดผลมดูที่ผลจะฟังในที่ไหนก็ได้พระอยู่ในปา่าท่านก็ฟังในปา่าถ้าไม่ได้อยู่ในโบสถ์ท่านก็ฟังธรรมได้ นั่นมันมันไม่ไม่มันอยู่ที่อันนั้นอยู่ที่สมมุตินิยมถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ต้องก็ต้องก็ต้องระวังเพราะว่าไปกระทบกับความรู้สึกเขาเขาก็จะอดไม่ได้อย่างญาติโยมบางคนนั่งดูเราดื่มน้ําจากขวดก็ยังทนไม่ไหวยังต้องขอขอขอบอกว่าอย่าดื่มได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สวยงามเลยเป็นผ้าผู้หลักผู้ใหญ่ ดื่มน้ําจากขวดมันน่าจะมีแก้วมีแก้วให้ดื่มเ mm hmm. นี่ย่เพราะเนี่ยไปกระทบกับสมมุติเขาแล้วนะเขาถูกสอนมาว่าเนี่ยจะเป็นคนมีมศักดิ์มีสีต้องเอดื่มจากแก้วแก้วว่าต้องมีลายคลาม <c oughs> ลายอะไรแต่ <c oughs> <c oughs> เป็แก้วธรรมดาก็ไม่สมศักดิ์สี <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติ บางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาถูกสั่งถูกสอนมาอย่างนั้นเราก็เราก็ทําใจได้นั่นแตอาจจะถ้าป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็วันนั้งหาก่หางหาแก้วมาดื่มให้เขาสบายใจก็ได้แต่แต่เราคงไม่ทํำหรอกนี่เราพูดยกตัวอย่างให้ฟังเราเป็นคนแบบหูหนวกตาบอดได้ใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาก็าปล่อยเขาพูดไปพูดแล้วก็จบ เราถือหลักความสะดวกความสบายความมากน้อยสันโดดเนี่ยกินจากขวดมันไม่ต้องมีแก้วมาล้างให้มันยุ่งยากเนะขวดก็สะอาดเนี่ยขวดนี่เขาฆ่าชงฆ่าชเชื้อก่อนที่เขาจะเอาน้ำใสเข้าไปแก้วที่เราล้างดีไม่ดีอาจจะไม่สะอาดเท่ากับขวดที่เราดื่มที่เดาทำไปานะปัญญาของแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันก็นะ เวลาเราจะไปฟังเทศฟังธรรมในห้องน้ําก็ใส่หูฟังไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเขาเขาอาจจะตำหนิติเตียนว่าไม่เหมาะสมแต่การฟังธรรมจริงๆเราฟังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยมีทํานอกกับธรรในเวลาเราจะริยนปัญญาอยู่ในใจเนี่ยเรากําลังฟังธรรมาภายในนละ้วทาภายในนี่สําคัญกว่าทำภายนอกทํา ภ, ภายในนี่มันปัจจุบันทันด่วนเรา สามารถดึงมาใช้ได้ทันทีทำภายนอกนี่บางทีต้องไปค้นหาว่าทำข้อนั้นข้อนี้อยู่ตรงไหนตอนนี้มีปัญหาจะแก้ด้วยทำข้อไหนดีแต่ถ้าเป็นทาภายในนี้มันจะมาทันทีเลยถ้าเรามีอยู่แล้วพอมีปัญหาเกิดขึ้นปั๊บทมที่เรามีอยู่ในใจมันจะโผล่ขึ้นมาแก้ปัญหาให้เราได้ทันทีเลยยัง การทการฟังธรรมภายนอกเพื่อให้เกิดธรรมภายในขึ้นมาเราต้องอาศัยธรรมภายนอกเป็นตัวสตาร์ทธรรมภายในคือเราต้องฟังธรรมเพื่อเราจะได้คิดเป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลต่อไปเราก็ไปคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปเราก็ใช้การคิดด้วยเหตุด้วยผลนี้ไปแก้ปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ในใจของเราได้ก็สรุปก็คือฟังได้อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ แต่ว่าอาจจะต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสมถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องอทําให้มันเหมาะกับสถานที่และเวลาอาจารย์ครับศัตรูตัวร้ายที่สุดของการเจริญปัญญาใช่ความคิดไหมครับอาจารย์ก็ความคิดมันเป็ น, ป น, ปนทั้งศัตรูและเป็นทั้งเพื่อนเนี่ยถ้าคิดไปในทางความเป็นจริงก็เป็นปัญญา ถ้าคิดไปในทางความหลงมันก็เป็นศัตรูมันก็เป็นตัวที่มาฆ่าเราทั่วใหญ่เราจะคิดไปในทางความหลงกัน mm hmm. เช่นคิดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ยก็เลยได้ไหมเหมือนเหมือนกับคนมาหลอกเราว่าให้ไปตรงนี้เราจะปลอดภัยพอไปแล้วก็โดนยิงตายอย่างเงี้ย mm hmm. ได้มพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปหาแฟนหาแฟนแล้วจะทุกข์เราก็ไม่เชื่อ ข้างในความหลงมันบอกแฟนดีมีแฟนแล้วจะมีความสุขพอไม่มีแฟนแล้วก็บางทีก็ฆ่าตัวตายเวลาแฟนทิ้งเวลาทะเลาะ ก, กับแฟนขึ้นมาก็าเสีย อ, อกเสียใจเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยไม่มองความจริงกันมองความหลงความหลงมันจะไม่ยอมให้เรามองเห็นทุกข์กันมันจะให้เราเห็นแต่สุขอย่างเดียว วามีแฟนน่าจะสุขอยู่สบายมีเพื่อนไม่เหงาอยากจะทำอะไรก็ทำด้วยกันได้แต่ไม่มองเวลาโกรธกันเกลียดกันจะทำยังไงเวลาไม่เข้าใจกันเวลาทะเลาะกันเวลามีความเห็นไม่ตรงกัน mm hmm. เวลานน้นกลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาเลยแทนที่จะเป็นเพื่อนก็กลายเป็นศัตรูขึ้นมาเพราะเราคิดเอาด้านเดียวคิดแต่ด้านสุขไม่คิดถึงด้านด้านทุกข์กัน นี่คือความคิดที่เป็นศัตรูความคิดที่เป็นเพื่อนต้องคิดทั้งตามความเป็นจริงสุขก็มีทุกก็มีเราพร้อมที่จะรับทั้งสองอย่างหรือไม่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับทุกกันใช่ไหมพอทุกก็หยากันเลิกกันไปเมื่อเช้าครับกาจารย์คือขับรถมาครับขับรถมาแล้วก็มีรถสองคันอแข่งกันมาที่ททมาพอมาแซงเรไปเขาแต่ว จะรีบไปไหนอะไรเหมือนใจตามมันสําคันเลยด้วยแล้วพอสักพักนี่เรากําลังตามรถสองคัญนั้นอยู่นะสักพักหนึ่งก็มองโอ้โหจิตเราอยู่เฉยๆก่อนที่รถมันจะมานี่สุกมากเลยพอรถมาตามรถไปก็เลยตัดรู้เลยว่าโอ้โหความคิดนี่ไหลด่ากสติเราไม่ทันหยุดนั้นมันไหลไปแล้วเ <c oughs> นี่ยที่การมีสติคืคอเพื่อที่จะหยุดความคิดไม่ดีต่างๆและเราจะได้ปล่อยความคิดที่ดีออกมาได้ ถ้าเรามีสติเราเลือกได้ว่าเราจะคิดเรื่องไหนถ้าเรื่องไม่ดีเราก็หยุดคิดคิดแล้วทุกข์ใจเราก็หยุดคิดได้คิดแล้วสุขใจเราก็คิดคิดสุขใจคิดยังไงคิดปล่อยวางไงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ยึดไม่ติดอะไรจะไปก็ให้มันไปถือว่าเป็นของยืนมาชั่วคราวถึงเวลาก็จะไปก็ปล่อยให้ข้าไปนี่เรียกว่าคิดดีคิดอย่างนี้ก็มีความสุข เราคิดว่าเป็นของเราต้องอยู่กับเราเนี่แหมเวลาไปนี่มันเครียดนหเวลาจะไปนี่ไม่ทันไปเพียงแต่คิดว่าจะไปก็เครียดแล้วนั่นแหละความคิดมันมีทั้งเป็นเพื่อนก็ได้เป็นศัตรูก็ได้ดังนั้นเราต้องการมาทําลายความคิดที่เป็นศัตรูแล้วมาสร้างความคิดที่เป็นเพื่อนเนี่ยถึงเขาบอกให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยคิดแบบเนี้เป็นเพื่อนเพราะถ้าเรารู้ว่าไม่เที่ยงเราจะได้ไม่ไปยึดติดเนี่ย อว่าเดี๋ยวสักวันจะต้องไปแต่ถ้าไปคิดว่ามันเที่ยงมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันก็จะหลงมันก็จะเสียใจเวลาที่มันไปพร mm hmm. ะเจ้าตรสสอนให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่ใช่ของเราคิดแค่นี้ได้ไหมสามตัวนี้คิดต้องทำ ต, ตามที่คิดได้สบายหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นร่างกายนี้ไม่เที่ยงเที่ยงก็ไม่เที่ยง มันเป็นสาวไปตลอดหรือเปล่ามันเป็นหนุ่มไปตลอดหรือเปล่าเรื่องเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปมันเวลามันแก่เจ็บตายแล้วมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะมันเป็นของเราหรือเปล่านี่ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ทำใจได้ทำใจให้มันไปได้แล้วเวลามันไปเราจะไม่ทุกข์กับมัน นี่คือความคิดที่เป็นเพื่อนความคิดที่เป็นมิตรคิดตามความเป็นจริงความคิดที่เป็นศัตรูที่เป็นภัยก็คือคิดตามความหลงคิดว่าทุกอย่างสุขทุกอย่างจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดคิดอย่างนี้ทุกทันทีเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นมีภ้าเข้ามาใหม่ไหมค่ะคำถามจากคุณสุพิญญา ถ้าฟังเทศแล้วพุโทโธแต่ไม่หลับตาได้ไหมคะฟังเทศไม่ต้องพุโทโธให้ฟังอย่างเดียวฟังเสียงธรรมแทนถ้าจะพุโทโธก็ไม่ได้ไปฟังเทศเพราะมันชนกันเหมือนดูหนังสองช่องจะเอานอกช่องไหนดีจะเอาช่องสาว่าช่องเจดเดี๋ยวก็ตีกันสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็พลิกมาช่องสาเดี๋ยวก็พลิกไปช่องเจ็ดดังนั้นถ้าจะเอาช่องไหนก็เอาช่องเดียวถ้าอยากจะพุโทโธก็ปิด ปิดเสียงธรรมไปก่อนเดี๋ยวมันตีกันไม่ใช่เลแล้วมันจะไม่ได้ผลนั่งพุโทโธก็ไม่สงบฟังธรรมก็ไม่ได้ปัญญาไม่ได้อะไรสักอย่างเสียเวลาเปล่าๆฟังธรรมนี้ต้องการให้เกิดปัญญาให้ได้ยินในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังพอเราฟังซ้ำอีกเราก็จะได้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทาให้เราหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้ เร า, าทำให้ใจสงบผ่องใสทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือการฟังธรรมต้องฟังเสียงธรรมแต่เวลาถ้าไม่ต้องการถ้าต้องการพุโทโธก็อย่าเพิ่งไปฟังธรรมทำคนละเรื่องถ้าพุโทโธนี้ต้องการความสงบเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการความรู้ไม่ต้องการความ เ, าเรื่องราวต่างๆไม่ต้องการจะรับรู้ต้องการหยุดความคิดตอนนั้นก็พุโทโธไปอย่างเดียวจะหลับตา ถ้านั่งเพื่อความสงบก็ควรจะหลับตาเพราะว่ามันจะมีสมาธิดีกว่าการลื่มตาเวลาลืมตาเดี๋ยวเห็นอะไรผ่านมาใจมันก็จะลอยไปกับสิ่งที่เห็น <c oughs> งนั้นควรจะปิดทวารทั้งห้าถ้าต้องการทําใจให้สงบปิดตาหูจมูกลิ้นกายทวารทังอื่นไม่ค่อยมีปัญหาละตัวที่ปัญหามากที่สุดก็คือทางตาหูยังเข้ามาบางทีเรายังไม่ได้ยิดก็ได้ถ้าเราไม่ไปสนใจกับมัน แต่ตานี่แมมันไวมากเห็นอะไรปุ๊บนี่มันลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีเลยต้องปิดตาถ้าต้องการทำความสงบหรือต้องการปัญญาเวลาฟังเทศฟังธรรมปิดตาจะสบายกว่าใจจะได้ฟังธรรมได้เต็มร้อยไม่มีอะไรมารบกวนสมาธิคำถามจากคุณกิติ mm hmm. เพื่อนฝากถามว่าในขณะที่ขับที่ขับรถอยู่ มองถนนข้างหน้ากลับกลายเป็นทุ่งโล่งสีเขียวสดใสมองแล้วสบายใจสดชื่นมีความสุขแต่ก็เตือนตัวเองว่ากำลังขับรถอยู่เ ป, เป็นชั่วเป็นช่วครู่ภาพก็หายไปเป็นแบบนี้ด้วยสถานที่เดิมๆสองครั้งเรียกว่าเข้าสมาธิหรือเปล่าพลับเรียกว่ากำลังเพ้อฝันนะอย่าไปอย่าไปให้มันไปเห็นอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดรถตัดหน้าจะชนกันหน่อยไม่รู้สึกตัว ต้องมีสติให้อยู่กับถนนอยู่กับรถที่อยู่กับการขับรถอย่าไปปล่อยให้ใจผลิตภาพอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกหลอนใจถึงแม้จะเป็นภาพดียังไงก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สมควรเพราะมันอาจจะทาให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์กระทำหานี้มันจะแก้ไขไม่ทันการคำถามจากคุณที่น่า เห็นคนสอนธรรมะบางคนมีการขัดแย้งกันว่าวิธีสอนนี้เป็นของตนคิดขึ้นมาจนถึงขนาดพูดขึ้นมาท่ามกลางคนอื่นๆอาจารย์มีความเห็นในเรื่องนี้เช่นอย่างไรบ้างคะก็เราต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางของการสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะให้ผลที่ดีที่สุด ฉันไม่มีใครจะเก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าฉันอย่าอวดตอนอวดเก่งจะจะอวดก็ไม่ว่าอะไรไม่มีใครห้าม่ทางนี้ไม่มีใครจะเก่งเท่าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของพระเจ้ามาสอนดีกว่าคำถามจากคุณประพาพัน์ต้องการตัดความลับความห่วงใยในสามีควรพิจารณาอะไรคะ คิดถึงความตายของสามีเรื่อยๆว่าเขาอาจจะตายในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคิดอยู่บ่อยๆก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจคําถามจากคุณดอฟินเวลาฟังพระสวดพิธีต่างๆเราต้องสวดตามท่านไหมคะอ๋อไม่ต้องให้ฟังเฉยๆเหมือนก็เราฟังธรรมเพราะว่าสิ่งที่สวดก็เป็นธรรมะนี่เพียงแต่เราไม่เข้าใจความหมาย เวลาฟังก็ให้ฟังเฉยๆมีหน้าที่ฟังก็ฟัง<ม>บางคนนี่มีหน้าที่ฟังแต่ไปสวดแข่งกับพระก็มีเวลาพระยะถาสัพพีเขาก็ยะถาสัพพีไปด้วยอันนี้ไม่ถูกต้องเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังพระมีหน้าที่สวดก็ปล่อยท่านสวนไปถ้าเราอยากจะสวดเราก็ไปหาเวลาสวดของเราเองจะสวดนานเท่าไหร่สวดมากเท่าไหร่ก็สวดได้ แต่อย่าไปสวดแข่งกับพระเวลาที่ท่านสวดนะถ้าจะสวดภายในใจก็ไม่มีใครห้ามอย่าไปสวดออกเสียงก็แล้วกันหมดแล้วใช่ไหมคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ ะ, ะว่ามาคำถามจากป้านอมหลังจากออกจากสมาธิจำเป็นหรือไม่คะจะต้องกล่าวแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเพราะเคยไปถือศีลแดที่วัดหลังจากออกสมาธิจะมีบทสวดแผ่เมตตาค่ะ คือการสูดแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่เป็นการสอนให้เราเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาจะแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาเจอกันเวลาเจอคนนั้นคนนี้ถึงเป็นเวลาแผ่เวลานั่งสมาธินี่มันไม่มีใครจะเจอใครก็ไม่ต้องแผ่เวลาเจอใครก็มีขนมอะไรก็ฝากกันมาแบ่งกันนี่เรียกว่าแผ่เมตตาหรือยิ้มแย้มทักทายกัน ถามสารแลทุกสุขดิบกั น, นเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาคือแทนที่จะเห็นหน้ากันแล้วก็แยกเคี้ยวใส่กันด่ากันว่ากันก็ให้เร า, เายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันถามสารแล้วทุกข์สุขดิบมีขนมมีอะไรก็แบ่งกันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาที่เขานิยมก็คือให้เราสอนใจให้เราเป็นคนมีความเมตตานั่นเองแต่เราไม่ได้แผ่เมตตาตอนที่เราสวดแล้วบุญที่เราทําก็อุทิศไม่ได้ ยังไม่ต้องไปอุทิศไม่ต้องไปแผ่เมตตาแต่ที่ส่วนนี้ส่วนเพื่อสอนเราเพื่อเตือนเราให้เรามีความเมตตาแต่ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้ถ้าเราอยากจะอุทิศบุญเราต้องไปทําบุญเช่นวันนี้ญาติโยมมาทําบุญตอนนี้มีบุญอุทิศได้แล้ว<ม>บุญส่วนนี้อุทิศได้ครัแต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้อุทิศไม่ได้ของใครของมัน พระอาจารย์ครับอะไรคือปัจจัยหลักที่จะทําให้ความความต้องเขาเรียกว่าความปรารถนาสมสมหวังครับพระอาจารย์เช่นยกตัวอย่างเช่นอ่าในในในขณะ น, นี้ชาตินี้ยผมได้มาทํางานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับงานทำครับพระอาจารย์แต่ว่าในใจเราเนี่ยเขายังแบบว่าเราหวังว่าถ้าเราแบบมีเราได้เป็นสื่อใหญ่ๆเนี่ยครับเราก็จะได้ทํางานได้ใหญ่วันนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งอะไรมันเป็นปัจจัยที่จะทําให้อนาคตเออ่ในชาติหน้าเนี่ย ความหวังที่เราจะสมหวังได้ครับอาจารย์อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่ <c oughs> ามัน <c oughs> ก็คงจะแบบนี้ทำทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะกลับมาหาเราเองประโยชน์ต่างๆที่ทาเราทำให้คนอื่นต่อไปเราทำอะไรก็อาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเพราะมีคนที่พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราแต่ก็ไม่ได้คาดหวังในชาตินี้ครับอาจารย์ <c oughs> เหมือนกับว่าชาตินี้ก็คิดว่ามันเป็น มาสร้างเหตุไว้เพื่อรับผลในชาติหน้าที่จะทำประโยชน์ได้มากกว่า น, นี้ยางไงครับแา้วกันคือเราทำอะไรได้ทาอะไรไว่ามันก็จะกลับมาหาเร า, เาให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกันอีกสองคำถามค่ะคำถามจากคุณมนตีการดูความคิดตรงๆโดยไม่มีคำบริกรรมพุโทโธอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมครับเพราะบริกรรมแล้วรู้สึกอึดอัดคือเราต้องหยุดความคิดไม่ใช่ให้ดูความคิด ถ้าความคิดไม่หยุดมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่มีสมาธิเพฉนั้นที่เราให้ใช้พุโทโธถ้าอึดอัดก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าไปดูความคิดถ้าอยู่ความคิดถ้าดูความคิดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้เช่นพอ ค, คิดถึงอะไรป๊อก็หยุดมันได้คิดถึงอะไรป๊อ ก, ก็หยุดมันได้แต่ต้องหยุดได้ให้มันหยุดจริงๆไม่ให้หยุดป๊บแล้วพอหยุดป๊อแล้วมาไปคิดเรื่องอื่นต่อ อย่างนี้ก็ยังต้องคอยหยุดมันอยู่เรื่อยๆต้องหยุดแล้วให้มันหยุดไปเลยไม่ให้มัีความคิดตามมาถึงจะเรียกว่าหยุดความคิดได้คำถามสุดท้ายจากคุณแอมดิฉันมีลูกชายสองคนแต่ยังเล็กแต่เคยคิดว่าอยากให้ลูกชายบวชเป็นพระเนื้อนาบุญของศาสนาทั้งสองคนก็เลยปูทางทำให้ได้มากที่สุดอย่างนี้เป็นความคิดที่ถูกไหมคะ ก็เป็นความคิดที่ดีแหละที่อยากจะให้ลูกบวชแต่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีความสามารถบวชได้ไหรือไม่เพราะคนแต่ละคนก็มีเหตุมีปัจจัยที่ต่างกันไปใจของเราอาจจะไม่เหมือนใจของเขาก็ได้พอตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่เขาก็อาจจะฟังเราเชื่อเราเพราะเขายังไม่ได้เป็นตัวตนของเขาอย่างเต็มที่แต่พอเขาเติบโตเขาสามารถไปทำอะไรตาม อาทยาสัยของเขาได้เขาก็อาจจะไม่บวชก็ได้ถ้าเขาไม่บวชก็อยากไปเสียใจเราก็ทำหน้าที่ที่ของแม่ไปก็คือพาเขาเขา้าวัดปูทางให้กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้หมดแล้วยังมีอีกมาเละเด้อ yeah. เอาเอาสักสองสามสามไปเรื่อยๆก็ได้ยังพอไม่เดือเวลาอยา่คาถามจากคุณสหัสคน มีคนฝันเห็นเปรตผู้หญิงในวัดแล้วเขาแสดงภาพให้เห็นว่าเคยทำไม่ดีกับพระแล้วมาเกิดเป็นเปรตลักษณะหน้าตาน่าเกลียดจะทำบุญอุทิศให้เขาอย่างไรครับก็ทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศไปใส่บานทถาวายข้าวของอะไรไปแล้วก็อุทิศไปให้เขาคำถามจากคุณซีนีเมื่อก่อนนึกถึงความตายแล้วกลัวตอนนี้หม่นนึกบ่อยๆตามที่พระอาจารย์สอน ความกลัวน้อยลงจะทราบได้อย่างไรว่าผ่านตรงนี้ต้องเจอข้อสอบจริงๆคือเวลาต้องตายจริงๆเราจะไม่กลัวหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ใจของเราเราตอนนี้กลัวหรือยังไม่กลัวถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัวอาจจะเป็นของริงก็ได้แต่ถ้ายังถ้ายังไม่แน่ใจก็รอให้มันเจอข้อสอบจริงๆดูคาถามจากคุณสุก เคยไปสวดมนต์เสร็จท่านให้รวมบุญที่เคยทําขอบรารมีพระโพธิสัตว์รวมบุญส่งแผ่ไปให้ได้ไหมคะไม่ได้หรอกบุญเก่าก็ผ่านไปได้หมดไปแล้วเอาแค่บุญที่เราทําในปัจจุบันนี้เท่านั้นยังนังก็ไม่ต้องทําบุญใหม่มันนั่งเอาแต่รวมบุญเก่ามารวมแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆ <c oughs> หมดแล้วนะก <c oughs> ็พอสมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอยังไง